15, สีสิบห้าพันษาของพระพุทธเจ้าพระนิพุธสมเด็จพระยาณสาังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆอาริายก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 กติความเชื่อนี้มีติดเข้ามาในคำภีพระพุทธศาสนาจนถึงมีรวมไว้หมดหนึ่งเรียกว่าวาลาหกสั่งยุตมีความย่อว่าเทพทั้งหลายนับเนื่องเข้าในพวกวลาหกมีหลายจาพวกคือวลาหกเทพแห่งความหนาวเย็นวลาหกเทพแห่งความร้อนวลาหกเทพแห่งหมอกวลาหกเทพแห่งลม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 มีร้อนในบางคราวมีหมอกในบางคราวมีลมในบางคราวมีฝนในบางคราวคือพวกเทพเหล่านี้คิดว่าฉะห น, นเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเพราะความตั้งใจของเทพเหล่านี้ก็มีความหนาวเย็นเป็นต้นขึ้นเรื่องวัาหกเทพนี้มีเขามาจากความเชื่อเก่าแก่ แต่ได้มาแก้ไขตามกติเทวดาในพระพุทธศาสนาดังพึงจะเห็นได้ว่าเทพเหล่านี้เป็นอุ ป, ปาติกะกําเนิดคือผุดเกิดขึ้นเป็นตัวตนโตใหญ่ทีเดียวจัดเป็นสุขติภูมิจึงเป็นผลของกุศลกรรมและมีมากด้วยกันบางเทพมีอํานาจบรรดาให้เกิดหนาวเย็นบางเทพมีอํานาจบรรดาลให้เกิดร้อน บางเทพมีอำนาจบรรดาให้เกิดหมอกบางเทพม vale ีอำนาจบันดาให้เกิดลมบางเทพมีอำนาจบันดาให้เกิดฝนจึงแบ่งออกตามอำนาจบันดาได้ห้าจำพวกเทพองค์หนึ่งมีอำนาจบันดาเพียงอย่างเดียวหรืออาจบันดาได้หลายอย่างไม่ได้แสดงไว้ชัดวิธีบันดาคือเพียงคิดว่าฉะนนเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตน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 พระเถระถามทราบว่าเป็นวลาหกเทพแห่งฝนซึ่งคิดให้ฝนตกได้จึงแสดงความทับสงจะดูฝนตกเทวบุตรเตือนพระเถระให้เข้าไปในศาลาเพราะจะเปียกขณะนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเมฆฝนหรือฟ้าร้องพระเถระล่างเท้าเข้าศาลายังไม่ทันหมดองค์ฝนตกสู้ลงมาเปียกท่านครึ่งองค์มีอธิบายว่า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 มานมนดาลกัมลังฤทธิ์และเมฆฝนประลายกันวลาหกเทพท่านว่าเป็นพวกเทพเที่ยวไปในอากาศคําว่าวลาหกในคมภีศักด์เล่มหนึ่งแปลว่าสิ่งที่นําหรือผ่าน้ําไปแปลกันโดยมากว่าเมฆใช้เป็นชื่อเรียกรวมของเทพเหล่านี้ว่าวลาหกกายคือหมู่หรือกลุ่มวลาหก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 ชาติกับกรรมปัจจุบันของคนความแปรปรวนหรือความเป็นปกติของดินฟ้าอากาศและพืชมีกติแสดงว่าเกี่ยวแก่กรรมปัจจุบันของคนเป็นเหตุข้อสําคัญอยู่ด้วยดังมีกล่าวไว้ในจตุการนิบาศว่าในสมัยเมื่อราชาทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมราชาหมายถึงผู้ปกครองรัฐสูงสุดในสมัยเมื่อราชาทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม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 ยักษ์เยื้องผิดปกติไปธรรมชาติจึงเกิดวิปริตผิดทางผิดปกติเช่นบังเกิดลมพัดผิดทางผิดฤดูกาลพัดต้นไม้หักโคน้นเทวดาทั้งหลายเดือดร้อนฝนก็ไม่ตกหลังทานน้ำสม่ำเสมอคือเกิดฝนแง้งข้าวกล้าก็ออกมเมล็ดผิดปกติมูมนุษย์บริโภคข้าไม่ดีก็มีอายุสั้นผิวพรรณเศร้าหมอง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 โคผู้หัวหน้าฝูงเดินไปตรงโคทั้งหมดย่อมเดินตรงในเมื่อโคนำฝูงเดินตรงในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นเหมือนกันผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าถ้าประพฤติ ธ, ธรรมประชานอนนี้ก็ประพฤติตามรัฐทั้งหมดย่อมอยู่เป็นุขถ้าผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรมในบาลีจตุกาศนิบาตตามที่ได้ยกข้อความมากล่าวนี้ แสดงคติของพระพุทธศาสนาว่าไม่ได้ค้านคติความเชื่อเก่าตะบันไปหมดคติที่พอยกเข้ามาได้ก็ยกเข้ามาเป็นข้อปรารถเพื่อแสดงธรรมแทรกเข้าผู้ที่ประสงค์จะสอนในภายหลังเมื่อไม่ประสงค์ข้อความปรารถข้างต้นก็ตัดออกเสียแสดงแต่ข้อธรรมตามความในฉันทกถาข้างท้ายซึ่งเป็นลักษณะของพระพุทธศาสนาโดยตรงคือมีลักษณะที่เรียกอย่างหนึ่งว่า เป็นวิพัจวาทะแปลว่ากล่าวแบ่งแยกคือแบ่งแยกไปตามเหตุผลตามเป็นจริงเช่นที่กล่าวแบ่งไปตามกรรมและผลของกรรมที่คนเรานี่เองทำในปัจจุบันนี้แหละดังความในชั้นทักถานั้นในที่บางแห่งยกเรื่องเมฆเรื่องฟ้าฝนมาเป็นข้ออุปมาเท่านั้นดังในกตุการนิบาตนี่เองกล่าวถึงเวลาหกคือเมฆหรือฟ้าฝนสี่อย่าง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 ทาเวปจิตติหรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าเท้าสุจิตตะครองเมืองทิศตะวันออกเท้าสัมพนหรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าเท้าสุจิครองเมืองทิศใต้เท้าผลิหรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าเท้าสุโรชาครองเมืองทิศตะวันตกท้าปหาราทะหรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าเท้าราหู รองเมืองที่เหนือสวรรค์ทุกชั้นที่กล่าวมาแล้วสรุปเป็นสามประเภทคือกามาพระจอท่องเที่ยวอยู่ในกามได้แก่สวรรค์หกชั้นรูปาพระจรท่องเที่ยวอยู่ในรูปฌานได้แก่รูปประพรมอรูปาพระจรท่องเที่ยวอยู่ในรูปฌานได้แก่อรูปประพรมฉะนั้นในสวรรค์กามาพระจอหกชั้น จึงยังเกี่ยวข้องกับกามคุณท่านแสดงว่าชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงมีเหมือนมนุษย์ชั้นยามามีตะกายสังสั ข, ขะชั้นลุสิษฐ์มีเพียงจับมือกันชั้นนิ่ง ม, มานรตีมีเพียงยิ้มรับกันชั้นปรนิมิตวสบวตีมีแต่มองดูกันเท่านั้น ส่วนในสวรรค์ชั้นรูปปาปรจรและอารูปปาปรจรที่เรียกว่าพรหมโลกทุกชั้นไม่เกี่ยวข้องกับกามในอัตถกถาวิพังกล่าวว่าไม่มีเพศสตรีเพศบุรุษในพรหมโลกในติกานิบาทแสดงอายุสวรรค์เทียบอายุมนุษย์ไว้ว่าห้าสิปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสสิคืนวันเป็นหนึ่งเดือนสวรรค์นั้น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 นับเดือนปีเช่นเดียวกันแปดพันปีทิพนี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นนิมมานารติเท่ากับสองร้อยสามสิบโกรกับสี่ล้านปีของมนุษย์หนึ่งพันหร้อปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันในสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวรตีนับเดือนปีเช่นเดียวกันหนึ่งืหกพันปีทิพนี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นปรนิมิตวสวัรตีเท่ากับ 821ยเอ็ดโกดกับหล้านปีมนุษย์การคิดเทียบปีมนุษย์นี้คัดมาไม่ได้สอบดูว่าจะถูกหรือผิดอย่างไรส่วนเทพชั้นพรหมโลกยิ่งมีอายุมากท่านว่าหนึ่งพรหมปาริสัจชะมีอายุเท่าส่วนที่สามของกับคือหนึ่งในสามของกับสองพรหมปุรโรหิตมีอายุกึ่งกับสาม มหาพรมมีอายุหนึ่งกับสี่ปริตตาภะมีอายุสองกับห้าอัปปมาณาภะมีอายุสี่กับหกอาพัสระมีอายุแปดกับเจ็ดปริตตสุภะมีอายุสิบหกกับ 8. ปดอัปปมาณาสุภะมีอายุสามสิบสองกับ สุ ป, ปกินหะมีอายุหสสี่กับสเวหับพละและอสัญญีสัตว์มีอายุห้าร้อยกับสิบเอ็อวิหะมีอายุพันกับสองอตปะมีอายุสองพันกับสิสสุทัศน์มีอายุสี่พันกับส4สุทัศนศี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 พรหมทั้งสิบหกเหล่านี้เป็นรูปประพรมส่วนอารูปประพรมอีกสี่ชั้นยิ่งมีอายุมากขึ้นไปอีกอารูปที่หนึ่งมีอายุสองหมืนกับอรูปที่สองมีอายุสี่หมืนกับอรูปที่สามมีอายุหกหมื่นกับอรูปที่สี่มีอายุแปดหมื่นสี่พันกับ อายุของสัตว์ในนรกอนหนึ่งมีแสดงถึงอายุสัตว์นรกเทียบกับอายุของสวรรค์ไว้ว่าห้าร้อยปีทิพในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นคืนวันหนึ่งในสันชีวานรกสัตว์นรกขุมนี้อายุห้าร้อยปีนรกนั้นพันปีทิพในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นคืนวันหนึ่งในกาลสุตตะนรกสัตว์นรกขุมนี้ มีอายุหนึ่งันปีนรกนั้นสองพันปีทิพในสวรรค์ชั้นยามาเป็นคืนวันหนึ่งในสังคาตานรกสัตว์นรกคุมนี้มีอายุสองพันปีนรกนั้นสี่พันปีทิพในสวรรค์ชั้นดุสิกเป็นคืนวันหนึ่งในโรรุวนรกสัตว์นรกขุมนี้มีอายุ4ี่พันปีนรกนั้น8 0 0พันปีทิพในสวรรค์ชั้นนิมมานรดี เป็นคืนวันหนึ่งในมหาโรรุณนรกสัตว์นรกขุมนี้มีอายุ8ป00ันปีทิพนั้นหนึ่งหพันปีทิพในสวรรค์ชั้นปรนิ ม, มิตวัสวัตตีเป็นคืนวันหนึ่งในตาปณ น, นรกสัตว์นรกขุมนี้มีอายุหนึ่งหมพันปีทิพนั้นมหาตาปณ น, นรกมีอายุกึ่งอันตรากับอเวจีนรกมีอายุหนึ่งอันตรากับ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 ความดิ้นรนทยานยากอันเป็นเหมือนลูกศรที่เสียบจิตใจสแสดงตามเขาความว่าใครก็ตามอยู่ในโลกหรือภูมิไหนก็ตามเมื่อถอนลูกศรที่เสียบใจนี้ออกเสียได้ย่อมบรรลุ ถ, ถึงที่ซึ่งไม่มีการเวลาที่นี้จะพึงบรรลุ ด, ด้วยจิตใจเท่านั้นส่วนร่างกายเป็นโลกต้องตกอยู่ในอำนาจของเวลาคราวนี้นึกเดาดูเฉพาะทางจิตใจว่า จิตใจที่ไม่ดิ้นรนย่อมไม่เกี่ยวกับเวลาเลยคือไม่เกี่ยวกับอดีตอนาคตปัจจุบันอะไรทั้งสิ้นเพราะไม่มีหวังอะไรที่จะฝากไปกับเวลาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมปฏิบัติที่เมื่อบุคคลปฏิบัติเข้าทางแล้วทำย่อมอบรมกันเองขึ้นไปโดยลำดับดังนี้ศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิต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 แล้วอธิษฐานให้เกิดในสวรรค์ในอัตถคถาธรรมบทเล่าเรื่องเวลาของสวรรค์เทียบกับมนุษย์ไม่ว่าในดาวดึงเทวโลกเทพบระบทองค์หนึ่งชื่อว่ามาลาภารีไปเที่ยวชมอุทยานพร้อมกับหมู่เทพ อ, อับสรเทพธิดาองค์หนึ่งจุติในขณะที่กำลังนั่งอยู่บนกิ่งไม้ให้ดอกไม้หล่นจากต้นสรีระของนางดับหายไป เหมือนอย่างเปลวประที่ดับนั่งถือปฏิสนธิในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีเมื่อเกิดขึ้นระฤกชาติได้ว่าเป็นภรรยาของมาลาพารีเทวบุตรจุติมาเกิดได้ทำการบูชาพระรัตนตรัยตั้งความปรารถนาจะไปเกิดในสำนักของเทพสามีอีกขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีนางมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทาบุญกุศลต่าง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 ดูความแห่งพระธรรมบทข้อนี้เห็นได้ว่ามุ่งเตือนใจให้ไม่ประมาทเพราะทุกๆคนจะต้องตายขณะที่ยังไม่อิ่มยังเพลิดเพลิอนอยู่ในกามเหมือนอย่างเพลินเก็บดอกไม้ท่านจึงเล่าเรื่องเท ธ, ธิดาเพลินเก็บดอกไม้ต้องจุติทันทีในสวนสวรรค์เทวดามีอายุยืนนานกติภายนอกพระพุทธศาสนาว่าเป็นผู้ไม่ตายจึงเรียกว่าอามร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 นอกจากโรคจะหายแล้วยังหวานลิ้นอีกด้วยคำแปลเทพแปะพระพุทธศาสนาโดยตรงกล่าวถึงเวลาเพื่อแสดงธรรมเช่นที่สอนว่า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 เทวดาในคัมภี์พระพุทธศาสนาจะเป็นอุ ป, ปาติกะกําเนิดทั้งหมดคําว่าเทวะในคมภี์สัตตานิติให้กําแปลไว้แปดอย่างดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่เล่นคือผู้ที่เล่นด้วยกรรมคุณทั้งห้าน่าจะหมายถึงว่ามีสุขสนุกสบายอยู่ด้วยทิพยะสมบัติทุกเวลา 2. ผู้ที่ปรารถนาหมายถึงผู้ที่ปรารถนาจตนะปฏิปัตษ์